ถึงกับเรียกเปรียบเทียบนิพพานเป็นเมืองไปก็มีดังคําว่าอุดมบุรีและนิพพานนครซึ่งได้กลายมาเป็นคําเทศนาวโหารและวรนนคดีโวหารในภาษาไทยว่าอมตะมหานครนรพานบ้างเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานบ้างแต่คําหลังนี้ไม่จัดเข้าในบรรดาถ้อยคําที่ยอมรับว่าใช้แสดงภาวะของนิพพานได้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 ไม่โอนเอ็นไปไม่มีตัญหาอ น, นันไม่มีที่สุดอ น, นาทานไม่มีการถือมั่นอ น, นาประไม่มีอื่นอีกประเสริฐ ด, ดีที่สุดอ น, นาลายไม่มีอาไยไม่มีความติดอ น, นาสวะไม่มีอาสวะอ น, นิทัศนะไม่เห็นด้วยตาอ น, นิติกะ ไม่มีสิ่งเป็นอันตรายอนุตตระไม่มีอะไรยิ่งกว่าหรือยอดเยี่ยมอปโลกิตะหรืออปโลกิณะไม่ผุพังไม่เสื่อมสลายอภยะไม่มีภัยอมตะไม่ตายอโมสธรรมไม่เสื่อมคลายไม่กลับกลายอัพูตะไม่เคยมีไม่เคยเป็น นาอัศจรรย์อภยาทิไม่มีโรคเบียดเบียนอัพยปัต ช, ชะไม่มีความเบียดเบียนไรทุกอภูตะไม่กลายไปอสังกิริทะไม่เศร้าหมองอสังกุปปะไม่หวั่นไหวไม่โยคลอนอสังคตะไม่ถูกปรุงแต่งอสังหิระไม่คลอนแคลนอโศกะไม่มีความโศก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 เห็นได้ยากทุวะยั่งยืนนิปุณะและเอียดอ่อนนิปปปันจะไม่มีกิเลสเครื่องเนื่องช้าไม่มีปปันจะนิพพานความดับกิเลสและกองทุกข์นิพุติความดับเข็ญเย็นใจนิโรธความดับทุกข์บรมสัจจะความจริงอย่างยิ่งสัจจะสูงสุดปณีตะ ประนีปรมัะประโยชน์สูงสุดปรมัสุกบรมสุขสุขอย่างยิ่งปารายนะที่ไปข้างหน้าที่หมายปัดสัต t ิความสงบระงับสงบเยือกเย็นป่าระฟังที่หมายอันปลอดภัยมุติความพ้นหลุดรอดโมขะความพ้นไปได้โยคัคเขมะ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 สันติความสงบสารณะที่พึ่งที่ระลึกสิวะแสนเกษมสำราญสุทธิความบริสุทธิ์สะอาดสุดทุศะเห็นได้ยากยิ่งนักในคำพีชั้นอัฏถาธิบายและคำพีที่เป็นสาวกภาสิตเช่นนิเทศปฏิสัมพิธามัคเถรค า, าถาเถ ร, รีคาถาอาปทาน ตลอดมาจนถึงคำมพี์รุ่นหลังๆเช่นอภิธานัปฏีปิกายังกล่าวถึงหรือจัดคำเข้ามาแสดงความหมายของนิพพานอีกเป็นอันมากเช่นอัครระไม่รู้จักสิ้นไม่พินาศอัคคลิตะไม่พลังพลาดอจละไม่หวั่นไหวอนารมณะไม่ต้องอาศัยสิ่งยึด่วงอนุปปาทะความไม่เกิดอปาวคะ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 หรือชัยนะของนิครนส่วนทั้งฝ่ายพุทธศาสนาในชั้นบาลียังไม่พบใช้คำนี้หมายถึงนิพานโดยตรงเป็นแต่เรียกผู้บรรลุนิพานว่าเกวลรีบ้างเกผลีบ้า ง, างมีหลายแหง่งคำที่แสดงความหมายของนิพานคำต่อไปคือนิจจะเที่ยงแน่นอนนิรุปปาตะไม่มีความเดือดร้อนปฏิปัสสัตธิความสงบรำงับ เยือกเย็นปัทะที่พึ่งหรือจุดหมายประภาวะตรงข้ามภาวะยอดยิ่งปริโยสารจุดสุดท้ายหรือจุดหมายปะหารการละกิเลสบูปะสมะความเข้าไปสงบวิวัตรหรือวิวัตตะภาวะพลนวัตตะปราศจากวัตตะบรรดาคำทั้งหมดนี้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 ย่อมไม่อาจซึมทราบในความหมายเดิมได้โดยสมบูรณ์คำแปลตามรูปสับอย่างที่ให้ไว้ข้างบนนั้นคงจะช่วยความเข้าใจได้เพียงเล็กน้อย